โอกาสนะคะท่าน mm. ออมีบางท่านเนี่ยมีร่างกายพิการนะแล้วก็เมื่อมีร่างกายพิการก็มีก็ยังมีความสนใจในการที่จะศึกษาธรรมบางท่านพิการเล็กน้อยบ า, าบางท่านก็พิการมากนะคะท่านทีนี้อยากอยากทราบคําถามแรกคือว่าอาการพิการทางกายหรือ บ, บางมากน้อยต่างๆนี่นะคะมันเกิดจากกรรมและผลของกรรมในลักษณะใด ข้อที่สองก็คือว่าในชั้นคําสอนได้บอกไว้หรือเปล่าคะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วก็บรรลุทำได้หรือไม่ส่วนข้อที่สามแล้วถ้าหากไม่สามารถบรรลุทำได้นะคะเขาควรจะทำอย่างไรเพื่อให้มีโอกาสแล้วก็มีที่จะลดจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารใช่ไหมะ คือย่างนี้นะว่าในชั้นของคําสอนเนี่ยถ้เรามองถึงกรรมก่นนะคนที่เกิดมาพิการทางร่างกายเนี่ยอย่าไปบ่งบอกว่าเป็นคนที่จะต้องถูกตัดขาดทางด้านการบรรลุธรรมอันนั้นไม่ใช่เครื่องวัดเพราะว่ากรรมที่ทําให้เกิดมาเป็นคนพิคนพิการทั้งหลายมายจากปันอธิบาสมาจากการเบียดเบียนสัตว์หลังแก่สัตว์นะเป็นกรรมที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งฉะนั้นการผิดศีลข้อแรกเนี่ยก็ต้องดูด้วยผิดระดับไหน อายุสั้นเพราะทำปานาธิบาตหรือมีโรคภัยแค่เจ็บมากมีสุขภาพร่างกายที่ย่ำแย่เนี่ยมาจากการเบียดเบียนสัตว์รังแกสัตว์เห็นกรรมประเภทนี้นี่แหละทีนี้ประการต่อมาว่าถ้าเรามองอย่างนี้ถึงชั้นปัญหาที่สองที่มองไปถึงที่บอกว่าพูดถึงการเวียการเกิดในกลุ่มที่คนเกิดมามีกลุ่มอเหตุกะบุคคลประเภทหนึ่ง ทวีเหตุกบุคคลประเภทหนึ่งติเหตุกบุคคลประเภทหนึ่งสามบุคคลอเหตุกาเนี่ยแยกเป็นสองส่วนส่วนสุคติอเหตุกา ก, ากาับทุคติเหตุกาบุคคลถ้าทุคติเหตุกาบุคคลคือการเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตเดราาัจฉานชัดเลยพวกนี้ก็หมดสิทธิ์เลยเป็นบุคคลเหมือนกันนะอย่าลืมนะสัตว์ทั้งหลายเรียวกว่าเป็นบุคคลหมดก็คือสัตว์นั่นเองสัตตวะแปลว่าผู้คล้องผู้คล้องอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดเียทวดา ถ้าสัตว์ใดหานกล้าที่ประกาศตนเองว่าจะทําโพธิให้เกิดขึ้นเพื่อจะออกจากความเป็นสัตว์อย่างนั้นเขาเรียกว่าโพธิสัตว์สัตว์ที่มีความหานกล้าในการที่จะประกาศตนเองว่าจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดออกจากความเป็นผู้ข้องในสังสารวัฏโพธิก็เลยมาแยกเป็นสสัมมาสัมโพธิตัจเจกับโพธิและก็สาวกกะโพธิ บุคคลเหล่านี้คือหานกล้าที่ประกาศบอกจัะไม่เป็นผู้คล้องในสังสารวัตรติดต่อไปแล้วก็คือประกาศจะตั้งอัธยาศัยเพื่อจะเป็นโพธิเราตั้งกันนี่ยังถ้าไม่ตั้งก็เป็นแค่สัตวะแปลผู้คล้องอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดไปย่อมเจ้ตั้งหรอยังจะเป็นโพธิประเภทไหนพอพูดถึงในเรื่องของคําว่าอาเหตุุกกะหมดสิทธิ์การบรรลุ หมดเลยทีนี้สุคติอเหตุกาบุคคลคือบุคคลที่เกิดมาบ้าใบา บ, า บ, า บ, าบอดหอนวกพิกลพิการไม่ใช่บ้าใบบอดหนวกพิกลพิการทางด้านร่างกายเดียวตัวไอตัวปฏิสนธินั้นเน่ยเป็นพวกอเหตุตุกขาด้วยเขาเรียกมาจากไม่มีเหตุประกอบเหตุในนี้นั้นคือความไม่โลภ ค, ความไม่โกรธและปัญญาส่วนกลุ่มกลุ่มเนี้ยหมดสิทธิ์แล้วพิกลพิการแล้วก็หมดสิทธิ์แล้ว ยังไงอย่าว่าแต่จะให้รู้คำสอนเลยให้รู้ว่าตนเองเชื่ออะไรยังไม่รู้เลยหนักเลยอย่างนี้นะกลุ่มเหตุุกาส่วนทวีเหตุุกาสี่พวกนี้มาให้ได้เหตุสองขาดอโมหาขาดปัญญากลุ่มเหล่านี้ก็ไม่สามารถจะบรรลุได้เป็นอย่างเราๆท่านทั้งหลายเยอะหมดเลยสุขภาพร่างกายดีบางกลุ่มก็พิกลพิการก็ได้ แต่จริงๆก็คือสามารถที่จะศึกษาเล่าเรียนตั้งฟังพระธรรมคําคสอนได้แต่ขวนขวายอย่างไรพบนี้ก็ไม่ได้บรรลุเป็นอภาภาพบุคคลไปแต่สามารถตั้งอัธยาศัยเป็นวาสนาภาคียะได้ตั้งอัธยาศัยจะได้เป็นปัจจัยในการบรรลุในพบต่อไปเป็นต้นได้งั้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้พิคนพิการมีเยอะแต่ก็สติปัญญาก็พอไปได้เรียนได้อะไรได้จบตีจบโทรยังได้โดยซ้าไป แต่ต้องขวนขวายต้องเพียรต้องพยายามหน่อยอันนี้ก็ถ้าจะบรรลุคุณธรรมไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งคือน่าสนใจคือติเฮตุกับปฏิสนธีเกิดมาพร้อมได้ไม่โลภไม่โกรธและมีปัญญากลุ่มนี้นะกลุ่มนี้ถ้าได้เหตุปัจจัยสั่งสมอธัธยาศัยคุณบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้สั่งสมมาเพียงพอเจอเหตุปัจจัยในปัจจุบันได้เหมาะสมต่างๆบรรลุได้เลยกลุ่มนี้ก็มาแยกกลุ่มนี้ก็ต้องมาแยก แย่งประเภทที่ว่าบางคนเจ็บป่วยยกตัวอย่างเช่นสุปาพุทธกุตินี่เป็นโรคเรื้อนพิการไออยู่ซอยไหนคนไม่ได้นอนกันทั้งซอยร้องอย่างกับไอเหมือนกับสุนัขขี้เรือนร้องอย่างนั้นแหละร้องทั้งคืนมีอยู่วันหนึ่งพระบรมศาสดาแสดงธรรมพอแสดงธรรมท่านก็ขึ้นเขาไปต้องการจะไปหาอาหารไปยืนท้ายบริษัท รอมุขเข า, เขาใครอยากให้ทานใน่ตนเองแต่พระศาส ด, ดาไม่แสดงธรรมเสีทีรอเนี่ยรอสุปาปพุทธากุฏีคนมีบุญแต่ว่าพิการมากระเสือกกระสนพิการมาเมื่อพอมาเสร็จพระศ า, าสดาสแสดงอนุภุพีกถาเรื่องทานศีลเนคขมมะเออสวรรค์เนคขมมะการมทียนวาวกถาสรุปอรายยาสสิยสตีได้บรรลุเป็นพระโสดาบาันอย่างเงี้ยอันนี้แหมพิการ และบรรลุได้นี่ก็ต้องแยกตรงแยกว่าจริงๆแล้วพิการเด็ดเพียงร่างกายแต่ทางด้านสภาพของกระแสะจิตใจของตนเองนั้นน่ะแน่นมาเลยเนี่ยจะเอกุศลกรรมที่ตนเองทําไว้นั่นแหละมาเบียดเบียนในประวัติการก็ทําให้ตนเองต้องมีพิกลพิการฉะนั้นคนพิกลพิการที่มีสติปัญญาสูงมีมากกลุ่มนี้ก็มีโอกาสจริงที่จะสามารถบรรลุธรรมได้